พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านะคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าเทวทัตทรยศกวางทองอา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันที่สิบห้าอังคารที่สิบห้าพฤจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วจะออกไปทำธุระแล้วก็จะมีพระรับกิจนิมนต์ด้วยนะครับนัทธาญาติโยมลูกหลานคงจะไปธุระจักไม่คงไม่นานหรอกแต่ถึงยังไงก็ให้ พวกเราคณะสัทาญาติโยมหลวงพ่อไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่ก็ช่วยๆกันดูแลวัดวาศาสานาดูแลวัดนะช่วยกันมาดูแลครูบาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายก็ยังมีหลายองค์และก็พร้อมกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่อยู่ อย่าไปออกนกนอกลู่นอกทางอย่าไปคึกขนองเราเป็นพระอยู่ในสีรารจรวัดสำรวมกายวาจาใจหลวงพ่อไม่อยู่มีโอกาสมากยิ่งเล่งภาวนาของใครของเราอันนั้นมันจึงจะถูกนะถ้าหลวงพ่อไม่อยู่โอ้หลวงพ่อไม่อยู่คราวนี้เราจะภาวนาเราก็ต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเรา นั่นละการปฏิบัติบูบชานะั่นแหะเลิศประเสริฐกว่าอามิทฉบูชาอามิทฉบูชาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังเป็นที่สองปฏิบัติบูบชานะเป็นที่หนึ่งเพราะนั้นพวกเราถึงจะอยู่ห่างไกลกัน ก, ก็เป็นคนดีเป็นพระที่ดี อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยนั้นนั้นเลิศประเสริฐถ้าวไวอยู่ถึงจะอยู่ใกล้กันเป็นไม่ได้อยู่ในกรอบศีลธรรมไม่อยู่ในจริยธรรมที่ดี เ, เพอเพอยัง อ, อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอีกอันนั้นถึงจะอยู่ใกล้ก็เป็นพิษเป็นภยัยอันตรายมากกว่าอยู่ไกลถ้าอยู่ไกลกันเออก็ยังดี เพราะมาอยู่คนละทิศ ท, ทางถ้ามาอยู่ใกล้กันก็ต้องมีคุณเป็นผู้มีบุญคุณต่อกันเลิศประเสริฐถ้ามาอยู่ใกล้กันมีแต่ขวางหูขวางตาเป็นอริศรูกันอันนั้นแปลว่าอยู่ใกล้กันเป็นพิษเป็นภยัยอยู่ห่างไกลกันดีกว่าเนี่ยให้พวกเราทุกๆคนนะถึงจะอยู่ณสถานที่ใด ก็จะให้เป็นพิษเป็นภัยทานดูแล้วมันจะไม่ท่าไม่เป็นเรื่องเราไปอยู่ไปทําไมเราก็ต้องขยับห่างไปเลยเพราะว่าเราดูแล้วไปเกิดประโยชน์ชีวิตทั้งชีวิตของเราเกิดมาทั้งทีควรจะทาทําให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เลิศประเสริฐอย่างไรจะร่มเย็นเป็นสุขปัจจุบันและอนาคต เราทำสิ่งนั้นล่ะต้องใช้ปัญญาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลไม่ใช่ว่าอยู่แบบชังกระไตยอยู่เป็นวันๆเขาไม่อยากจะให้อยู่ก็อยู่เขาพายเรือตัวเองเออกขาหลากน้ําไปอย่างนั้นมันไม่ถูกลอันนั้นแปลว่าจะว่ายจะไงคนประเภทเช่นนั้น ในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องถอยต้องหยุดไว้ก่อนพอเขาไม่เห็นคุณค่าในเมื่อเขาเห็นคุณค่าเมื่อไหรเขายังค่อยเอามาเรามาใช้งานแล้วก็ทำงานแล้วก็ทำให้ดีต่อชุมชนสังคมต่อพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะเชื่อมั่นในตนเองเชื่อในการกระทาทารีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว ทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรนะเพรา ะ, ะนั้นในพวกเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอยู่น่าจะฐานที่ในวัดของหลวงพ่อเหมือนกัน่ะทุกคนให้เชื่อกรรมเชื่อบุญเชื่อกุศลนะพวกเรารประกอบกุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไวนะ้แต่ถ้าว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นไปว่า เปล่าประโยชน์นะลูกหลานนะอถึงจะมาอยู่ใกล้กาไม่เกิดประโยชน์อย่างพระเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่างงั้นแหละพระสงฆ์ทั้งหลายเขากดฮือหากันสมัยนั้นเอ๊พระพุทธเจ้าเดินขวาเทวทัตก็เดินซ้ายแต่พระพุทธเจ้าเดินซ้ายเทวทัตก็เดินขวาแปลว่าไม่ลงลอยกันทั้งที่มาจาก ตระกูลสากยะโกริยะเป็นญาติพ่อวงกันอันเดียวกันอีกต่างหากแต่มาอยู่ด้วยกัน ท, ทําไมเทวทัตกับพระพุทธเจ้ามาในกลุ่มเดียวกันถ้าจะว่าไปเร่อามาในประเทศไทยเหมือนกันไปอยู่อเมริกาไปทะเลาะ ก, กันอยู่นู่นอีก เ, อเขาก็แปลกใจในใจเลยทั้งที่คนอื่นเขานับถือพระพุทธเจ้ากันทวนหน้า แต่เท ว, วทัตเนี่ยปัดแข้งปัดขาจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้กี่ครั้งเขาก็รู้ๆกันอยู่นะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยพูดเขาก็เลยไปเตือนไปเตือ น, นพระเทวทัตนะดูท่านท่า น, ทานเทวทัตท่านทำไมพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ท่านท่านก็ได้เรียนทำคำสอนออกจากพระพุทธเจ้าอีก แล้วก็อติเลกาลาบที่ได้มาโดยมากก็ก็คนทั้งหลายก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านทําไมจึงไม่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าทําไมเดินซ้ายเดินขวาทั้งที่พระองค์เดินให้ทำอย่างนีง้ท่านก็ไปทางหนึ่งพระเทวทัตพองพ่างขึ้นมางงด้วยอารมณ์โมโหโกรธในจิตใจความอิจฉาพยาบาทอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ อบอกท่านทั้งหลายไม่ลบพระพุทธเจ้าไม่ได้มีคุณประโยชน์ให้กับผมเลยเอยผมบวชเองเอผมรู้เองในธรรมคาสอนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีบุญคุณกับผมแม้แต่น้ําอยู่ในหยดในใบหญ้านะยอดหญ้าก็ <c oughs> ไปยอดหญ้าเล็กๆขนาดนั้นเ่ะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในน้ําหยดในยอดหญ้ายอดใบหญ้านะการเปรียบเทียบนะเทวทัศน์ะนะ ทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายโอ้ไม่รู้จะบอกสอนอยังไงบอกอยังไงขนาดไม่มีเห็นบุญคุณของพระพุทธเจ้าเลยถึงขนาดนี้เราก็ไม่รู้จะบอกอยังไงทั้งที่เราก็รู้ เ, เทวทัตบวชในคราวนั้นก็เจ้าฟ้าชายหพระองค์พร้อมกับพระอุบาลีก็รู้กันอยู่พระพุทธเจ้าเป็นบุตรคนบวชให้ จากนั้นก็ศึกษาจนได้ฌานโลกีโลกิยะฌานแสดงฤทธิ์ได้หอเหินเดินฟ้าได้นเทวทั์ไม่ใช่ธรรมดานะแต่เสื่อมนะเขาบอกโลกิยานี่เสื่อมโล ก, กุตระเนี่ยจะไม่เสื่อมแต่พระเทวทัตเนี่ยได้โลกิยาคือพวกฤาษีสีพรยนั้นเสื่อมได้นะถ้าทำไม่ถูกมันเสื่อมปั๊บหายไปเลยเหมือนขนปกเหมือนคนปกตินในโลกิยะฌานนะ เพราะนั้นผู้ที่ได้สมาธิได้รู้เรื่องต่างๆได้พอต่อมามันเสื่อมหมมืดมิดปิดตาไปเลยเนี่นะมันเป็นลักษณะนึ่อันนี้เป็นว่าเสื่อมได้แต่ว่าโลกิยาโลกิยาฌานมันเสื่อมได้แต่โลกุตระฌานนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วไม่เสื่อมพวกนี้คงที่เป็นแ t a n นดาดมาตรฐานตลอดไปแต่โลกิยาฌานเนี่ยเสื่อม เพราะนั้นพระเทวทัตได้โลกิญะฌานนะแสดงฤทธิ์ได้จนพระเจ้าอาซาร์ศัตรูยอมรับนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธองค์ได้ยินพระสงฆ์ทั้งหลายพระพุทองค์เดินมาพวกเธอสนทนากันเรื่องอะไรโอ้โกขาพระองค์ไปว่ากล่าวตักเตือนพระเทวทัตพระเทวทัตบอกว่าพระพุทธองค์ไม่มีบุญคุณกับเขาเลยแม้แต่น่อยเดียว เหมือนกับน้ำอยู่ในใบหญ้าใบยอดหญ้านะพระองค์บอกว่าอย่าแปลกใจพวกเธอทั้งหลายอย่าแปลกใจพระเทวทัตไม่ว่าในปัจจุบันอดีตชาติก็ไม่เคยเห็นบุญคุณของเราอยากจะฆ่าเรามามีมาแล้วในอดีตกาศพระสงฆ์ทั้งหลายกระลาบทูลพระพุทธเจ้าวสมัยไหนพระเจ้าฆ่านะ ในเรื่องพระเทวทัตไม่รู้จักบุญคุณและอยากจะฆ่าพระ อ, องค์อีกพระ อ, องค์บอกว่าสมัยนั้นเราเป็นเกิดเป็นกวางกวางทองอยู่ในในป่านะสาเหตุก็คือพระเจ้าพ ม, ม, มทัตของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีสมัยนั้นแต่เราไปเกิดเป็นกวางทองอยู่ในป่านะแต่พระเจ้าพ ม, มทัตเนี่ย ของเมืองพระนริศรีมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งเศรษฐีตระกูลนั้นมีลูกชายอยู่คนเดียวรักเหมือนยิ่งกว่าหัวแก้วหัวแหวนไม่อยากไม่ให้ลูกชายปีกออกจากตัวเองตัวเองเลยอยู่ในข้างตลอดการศึกษาก็ไม่ต้องมีสมบัติของเรามีอยู่แล้วไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษามันจะทุกข์ลำบากใช้หัวใช้การศึกษา คนอื่นแนะนําสั่งสอนลูกตัวเองอีกต่างหากให้เป็นอิสระพอเรารวยแล้วอผูกพ่อขึนถ้าจะว่าไปก็โง่แสนโง่อีกเหมือนกัน่ะรักลูกจนไม่มีจนไม่ให้เลไม่ได้รับการศึกษาทนุถนอมอย่างสุดๆเน่ยไม่เห็นคุณค่าไม่มองอ น, อนาคตของลูกตนเองเอถึงลูกตนเองทึง่จะเป็นยังไงก็าตามถึงมันงองแงกันกําม ปูหนึ่งนีบสันขาเลยนะหลวงพ่อว่านะเพราะเราสอนให้เขาเป็นคนดีเนะี่ยเราไม่ได้สอนให้เป็นคนเรนะ็วนี่นี่เศรษฐีคนนั้นกันอย่างว่านะโง่รักลูกไม่สอนลูกต่อมาลูกก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น เ, เป็นหนุ่มขึ้นมาก็แต่งงานนะพอแต่งงานจากนายกับพ่อมันก็ตกไปตามอายุสังขารเนี่ยมันก็ตายฮนหะพอพ่อแม่ตายทัานนั้นนะตัวเองของ บัญชีก็ไม่รู้บัญชงบัญชีอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดพอในสู่ตัวเองก็ขึ้นมากับมีทั้งสุรามีทั้งนารเร่พาชีกีฬาบัตรการพนันลุ่มเข้ามาเท่นี่เขาชักไปทางไห น, นมันก็ไปทางนั้นพราะคนโง่เช่ทเนี้วนี่คนโง่คนไม่มีปัญญาเขาชักไปทางไห น, นมันก็ไปทางนั้นะอคนมาลุ่มมาตุงเข้ามาพอในสู่คนนั้นมดเงินแปดสิบโกรดไม่ใช่งเงินน้อยนะ เอาสิบเข้าไปเอาสิบคูณเข้าไปสิ<ม>แปดสิบโกดมันเป็นเท่าไหร่เป็นกี่กี่ล้านนี่แหละเขามีแปดสิบโกดโกดหนึ่งก็สิบล้านใชตอนนี้นก็หมดหมดหมดพอหมดเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงเขากล้อมลเลยทีนี้พวกเจ้านี่ทั้งหลายพอไปยืมหนี้ยืมสินเข้ามาแล้วก็ไม่ใช้หนี้เขาบริษัจ้ก็เลย เขามาให้ไปไหนมันต้องออกมามันที่ดินมันอยู่ที่ไหน เ, เงินทองมึงฝังไว้ที่ไหนเนี่เป็นนี่เป็นสินขนาดนี้เศรษฐีเศรษฐีขิด ท, ทุกข์นี่ก็ไม่รู้จะออกนะก็มีปัญญาเยอะล่ะยังมีปัญญาหาทางออกให้ตนเองนะเพราะว่าตัวเองเขาล้อมรอบไว้ไม่ให้ไปไหนใช่ไหมล่ะ เนีหมือนกับกันไว้เลยไม่ให้ไปไหนให้มึงบอกมาขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนเก็ว่ามันมีอยู่นะแต่แกเออเอามะใครมีเป็นนี่เป็นถินเท่าไหร่เอาบัญชีมาเขาก็เอาบัญชีมาให้เธอเนี่พอมาเอาบัญชีมาให้มาแต่มาดูดูทาท่าดูแล้วกันไปเดี๋ยวจะไปชี้ขุมทรัพย์ให้เรามีขุมทรัพย์อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำํำ ทางคนทางหลายเกิดลุม่มล้อมล้อมไปไมเพื่อมันจะให้ไปชี้ขุมทรัพย์ก็จะได้ขุดเอาใช่ไหมแต่นี้ก็บถ้าแก่กดูดูเสร็จแล้วกมันไม่มีขุมทรัพย์เลนี่ยเอาถ้ากูตายจะดีกว่าใช่ไหมแต่นี่นี่แหละคนทุกมันเปน็คนโง่มันเป็นยงั้นนะเอาตายเอาตัวรอดดีกว่าดีกว่าเป็นหนี้ล้อมรอบอยู่อย่างนี้ไม่รู้เขาจะประชารถันเมื่อไหร่กเงินมันหมดแล้วเนี่ย ผลในสูตก็เลยทําท่าหอบบัญชีเงินกู้ของเขาเนี่อทําท่ามูนนั่นหนึ่งหอบแบวิ่งกระโจนลงน้ําเลยน้ําของคงจะเป็นน้ําลางนี่เขาก็คงจะหายจังหวะที่น้ําเชี่ยวๆอย่างน้ําลางของเราเมาวันวานวันก่อนเมื่อวันที่เก้านะน้ําปั่นป่วนขนาดหนักน้ําแรงๆเพื่อจะให้ฆ่าตัวตายลงไปในน้ํำหอบบัญชีได้ก็ เจ้าคนลงไปน้ำหน่อยตามลงไปในน้ำํำพวกนี้ใครทำยังไงได้ล่ะมันจับแขนมันก็ไม่ทันเนยมันก็โจนลงน้ำมันก็ไปเลยตามน้ําน้ํำก็พัดไปแล้วมันทําไมแม่ตายเพราะเหตุใดเพราะกรรมนะกรรมไม่ให้มันตายก็มีได้กรรมให้ตายก็มีกรรมไม่ให้ตายก็มีนะไอ้อันนี้กรรมมันจะใช้กรรมอยู่มันจะไม่ให้ตายมันก็ตบปิ้นตบปอดตาลีตาเหลือกกระเสือกกระสนไปเรื่อยพอไปถึงไต ก็ร้ อ, องลเลยสอพอมันนั้นคือนมานน้ำมันจุดไหลเชี่ยวมันก็ร้องคงจะเกาะขอนไม้ได้แล้วมั้งช่วยข้าด้วยไอ้ช่วยข้าด้วยจะว่ากันนะ่ะแต่นี้พยากร่างตัวนั้นอ่ะกวางตันนะวตนั้นเป็นกวางมีศีลธรรมนะไปอยู่กับเพื่อนฝูงเขาก็รักษาศีลนะขนาดสัตว์ที่ฉันเขายังรักษาศีล น, นะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดานะขนาดเป็นสัตว์ไง ท่านยังรักษาศีลท่านปลีกตัวออกมาจากหมู่เพื่อนฝูงท่านมารักษาอุโบสถศีลอีกต่างหากนะท่านเขามาดูฝั่งใกล้ฝั่งแม่น้ำแล้วก็มาดูปลามะม่วงปาเลงปาเตงลังป่ามะม่วงผสมประสานกันท่านก็มานอนอยู่ที่นั่นตามลำพังรักษาศีลแปดนั่นแหนะถึงท่านจะเป็นกวางเป็นสัตว์ก็จริงอยู่ แต่ควาใจของท่านนใจของท่านมันสูงส่งใจของท่านรู้จักดีรู้จักชั่วยิ่งกว่ามนุษย์บางคนอีกต่างหากถึงท่านเนี่ยเป็นตัวจติรฉานแต่ใจของท่านเป็นผู้ใฝ่ในบุญกุศลตอนนี้พันธินเสียงมันร้องกลางคืนนะคนร้องเอ๊ะคนร้องนะอพอนึงพวจวนสว่างเห็นคนนึงเก่งต่กวางแต่เนี่ก็กวางทองก็โดดลงไปในน้ําเลย ไปน็นน้ำก็ไอ้นั้นก็ขึ้นเกาะ ห, หลังมันเกาะหลังมันพบกวางกําลังแรงนะ <c oughs> กวางโพธที่สัตว์นี่กําลังมหาศาลอะไรประมาณนั้นเกาะได้แล้วก็มันก็พาขึ้นฝั่งพอพาขึ้นฝั่งมันก็หาหมากักไม้หมักม่วงมันอยู่ในป่าด้ก็หาหมักม่วงมาให้กินพอกินพอไอ้นี้มีกําลังขึ้นมาแล้วก็กวางตอนนี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไป ถูแดนมนุษย์ขี่หลังเรานะไอ้ น, นี้ก็ขึ้นขี่หลังกวางกวางทองนะแต่ในคืนสองสามคืนที่ผ่านมาอัครมะเหสีของพระเจ้าพมัททัตฝันฝันว่าเห็นกวางทองตัวหนึ่งแล้วก็มาแสดงทำให้ฟังโอ้โหเสียงฟังไพเราะจับใจมากกวางตัวนี้นะ่ะเป็นกวางที่ฉลาด เป็นเนื้อเป็นสัตว์ที่ฉลาดอแต่ใ น, นพอตื่นขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่จริงต้องจริงแน่ฝันข่าวนี้นะผุนข้นฝันจริงฝันไม่จริงก็มีเด้แสมไม้ก่อนนะแต่ทุกวันเนี่ยรวยมากว่าจะฝันจริงไปซื้อเลขแต่ได้หมดจิบหายก็ไม่รู้เท่าไหร่ใ <laughs> นอาคลามะเหสีของพระเจ้าพร ม, มทัศนฝันฝันเห็นกวางทองนะมาแสดงทําให้ฟังจับใจ ตื่นขึ้นมาก็เลยมาพูดให้พระสวามีฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยหม่อมฉันฝันเห็นกวางทองมาแสดงทําให้ฟังโอ้ถ้าหากว่าฉันไม่ได้ฟังธรรมเทศนาเนชีวิตของฉันคงจะอยู่ไม่ได้พราะมันประทับใจพระเจ้าไปเอเออ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะประกาศจากนั่นพรเจ้ออมมาพรมทัศก็เลยบใส่แผนทองประกาศทั่วบ้านทั่วเมือง ใครเห็นกวางทองอยู่นกสถานที่ใดได้รับรางวัลอย่างงามพร้อมกับบ้านสวยให้หาสาวสวยงามให้เป็นภรรยาด้วยจะเป็นผู้ชายมประกาศไปว่าเป็นจูงใจเลยละเมืนั้นแต่นี่เขาประกาศไปไปนี่ไอ้เนี่ยแต่ว่าก่อนที่กวางมันจะส่งไอ้นี้ออกไปกวางก็บอกว่าเอ้ เมื่อเจ้าไปสู่แดนมนุษย์แล้วนะเจ้าจะไปบอกนะว่าข่าอยู่ในสถานที่ใดถ้าเจ้าบอกขึ้นไปเราเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราอยู่ในป่านี่เรารักษาศีลอยู่ในป่านี่เจ้าต้องรักษาเรานะเราทำบุญคุณให้กับเจ้าท่านก็ไม่ได้ว่านะเราได้ช่วยเหลือเจ้าลักษณะกวางตนไอ้ไอ้หนุ่มนั่นก็ครับรับทุกทุกอย่างเลย แต่พอมาถึงเมืองเดินเข้ามาในเมืองเขาประกาศอย่นั้นขึ้นมานตาพึงหูพึงขึ้นมาเลยทีนี้โอ้เราจะได้เงินเลยทีนี้เราเห็นกวางเลยทีนี้กวางทองน่ยมันเข้าเป้าพอดีพอดีเลยเนี่ยมันออจุดประสงค์พอดีเลยเข้าไปผมเองรู้ว่าเนะี่ยที่กวางทองอยู่อย่างนี้นั่นอยู่ที่ไหนผมได้พบกับพระราชาก่อนผมจะเรียนให้ท่านได้ทราบ อมามบาดคนนั้นก็กขี่คอช้างเขาชายคนนั้นขึ้นไปก็พาไปหาพระราชาพระราชาก็ถามอยู่ที่ไหนอยู่ในป่ามะม่วงป่าเต็งหลังอยู่ฝั่งแม่น้ำโอ้กวางเป็นกวางทองเป็นสัตว์สวยงามมากเออเอาท่านั้ น, นถาาว่าเราไปเห็นแล้วเราจะให้บ้านสวยแล้วก็สาวงาม แล้วก็เงินเท่าไรตามที่ใจสัญญาเอาไวนะ้ไอ้นั่นก็พาไปแล้วนะเอลืมลืมความที่บอกวางบอว่าต้องรักษาชีวิตข้าวไว้นะ อ, อย่ามาเบียดเบียนข้านะข้าไดา้ได้ช่วยเจ้าสรงพระเจ้าถึงที่นั่นคนที่อกตันญูมันเป็นอย่างไงนะนั้งนะแต่ก็พามานะพอมาพระเจ้าเป็นนิเอาเสนาอัมมัด นายคำังธนูในเมืองทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่รอนนี้แหละแต่ว่าเรียงแถวกันเลยแอแปลว่าให้ยิงถ้ายิงก็ยอย่าอย่าให้ยิงตายนะวะให้ยิงขามันให้ยิงอะไรมันะ่ะเพื่อให้มันทุบพลภาพแล้วก็จับได้เพื่อจะไดเอามาในเมืองอพระราชากับไอ้นั้นนะไอ้ไอ้ธนยศนะ่ะอะก็ยืนเคียงคู่กันอยู่ดอ น, นี้แหละเงั้น พอว่าถึงคนเสียงตะโกนกวางทองตอนนั้นเลยเอ๊ะมันเขาจะจับเราแล้วยนี่ต้องเกิดจากนายชายคนนั้นแน่ๆแล้วนะเยท่านก็รู้เลยนะเพราะทัานกวางมีปัญญาใช่ต่นน้กวางมันก็เราจะวิ่งไปทางไหนดีเนี่ยอมองดูการกัลรู้น่ะโอ้อันนี้พระราชากเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะอตอนนั้นก็ ลุกขึ้นมาจากที่นอนไะวิ่งไปทางถ้าปพันธุอื่นก็กลัวเขาจะยิงไงก็วิ่งไปทางพระราชาพระราชาขึ้นขาธนูเล ย, ยงั้นัะเออจะยิงขึ้นฟ้าก่อนแต่จากนั้นก็จะยิงใส่ขาแล้วก็ให้มันหยุดแล้วก็จะจับพอมันวิ่งออกมามันตบตะโกนเป็นภาษาขนเอออย่ายิงข้านะพระราชามีอะไรพูดกันได้ พระราชาก็ตื่นตนกนะโอ้ทําไมกวางพูดภาษาคนได้แสดนกวางกุงเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาผ่านพระราชาลดขาธนูจะแสดงความเคารพคารวะกวางฮะพระราชาแสดงความเคารพกวางจากนั้นถามว่าเป็นยังไงกวางก็บอกว่าเนี่ยข้าไปเจ้าอยู่ในป่าเนี่ยปีกตัวออกมาจากฝูงกวางฝูงฝูงสัตว์ มารักษาศีลอุโบสถอยู่ในฝั่งแม่น้ําเนี่ยข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือคนนี่แหละที่ยืนเคียงข้างพระราชาเนี่ยแหละอมาส่งแล้วก็ไปส่งแล้ะข้าพเจ้าก็บอกว่าจะบอกที่พักของข้าพเจ้านะคงจะเป็นคนนี้กนระมังบอกท่านอท่านจะนี่มาล้อมข้าพเจ้าในจุดนี้พระราชาได้ยินเท่านั้นโอ้โหไอ้นี่มันไม่รู้จักปุญคุณไม่ทรยศ ไม่ควรจะอยู่ในแผ่นดินของเราขึ้นขาธนูจะยิงไอ้นั้นเดี๋ยวนั้นเลยเหมือนกันแกวางก็เลยบอกว่าเอาเถอะมันทําไปแล้วมันชั่วไปแล้วเออข้าพเจ้าขอไว้อย่าไปทำตัวจะไปเบียดเบีย น, ยนแต่มันจะเป็ น, ปนบาปเป็นกรรมต่อไปในภายภาคหน้าอจากนั้นพระราชาเอออะไรงั้นให้กวางเข้าไปในเมืองได้ไหมกวางตอนั้นก็เลยเข้าไป ก็ไปแสดงธรรมให้กับอคคมเหสีฝั่งในชาตินั้นพระองค์บอกว่านี่นะพระเทวทัตนทั้งที่เราได้ทําคุณบุญคุลกับเขาในชาตินั้นถ้าเราเป็นสัตว์เขาตกน้ําเราก็ได้ช่วยเขาแต่ขนาดช่วยเขาขนาดนั้นแล้วเขายังเห็น เ, เงินคําทรัพย์สมบัติ อ, อยังจะหาคนไปฆ่าเราอีก เพราะนั้นพระเทวทัตไม่ใช่แต่ในชาตินี้นะที่เบียดเบียนที่หลังแก่ไม่รู้จักบุญคุณของเราในชาตินั้นก็เป็นชาติหนึ่งที่พระเทวทัตไม่รู้จักบุญคุณของเราแต่ชาตินั้นเราตัดเราตถ า, าคตนี่คือเป็นกวางทองพระเจ้าแผ่นดินคือพระอานนท์จุ๊กย์ประชาติในชาตินี้นคือพระอานนท์เป็นพระราชา แต่บุรุษคนนั้นคือพระเทวทัตที่ไม่รู้จักบุญคุณนี่แหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าผู้ใดก็ตามทำบุญคุณให้กับเราเราควรจะยกย่องหรือว่าเห็นบุญคุณของเขาที่เราเขาให้บุญคุณกับเรานี่แหละพระพรองค์ท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาคนเนและคุณคน กับคนที่เราจักบุญคุณของคนอา่าเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้รู้จักบุญคุณนะเราไปอยู่นสถ า, านที่ใดอยู่ในต้นไม้ต้นใดอย่าไปลิลานกิ่งก้านของต้นไม้อา่าต้องทนุถนอมรักษานีนเหมือนกันอา่าเราไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องวงศานายาตคณะศาล า, ายาตโจมพระสงฆ์องค์เจ้าที่ใดๆอา่าเราก็ต้องระลึกถึงบุญคุณของท่าน ที่ท่านได้ทําบุญคุณให้กับเรานี่พระองค์ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นในพวกเราศึกษานะคณะสัทย า, า, า ญ, ญาณโยมลูกหลานทุกคนอันนี้หลวงพ่อได้สัมผัสเรื่องพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์นะพระพุทธองค์ปารบถึงพระเทวทัตที่ไม่รู้จักบุญคุณอันเนื่องมาจากพระสงฆ์ ได้ไปกล่าวย้ำเตือนพระเทวทัตว่าท่านก็เจริญรุ่งเรืองมาได้ถึงขนาดนี้ขอเพราะพระพุทธเจ้าเองท่านพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนธรรมะให้อแล้วก็ท่านได้มีอัติเรก ร, ราบมากขนาดนี้ก็ว่าบุญบา ร, รมีของพระองค์เป็นผู้คุ้มครองเทวทัศน์มองไม่เห็นฆ <c oughs> ่าได้มาเองเอ สมณะโคโดมพรธเจ้ามีแต่เป็นอรุณศัตรูกับกับข่าเท่านั้นไงนี่แหละคนพาและชนจะมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนอื่นนะเพราะฉะนั้นพวกเร า, เาให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ให้เป็นภูมิสำนึกสํานึกในพระคุณของผู้มีอุปคระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพ่อแม่ที่ทั้งยังไงก็ตามท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มดรดกเมื่อท่านล่วงลับไปตายไปแล้วเราทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือให้รู้จักบุญคุณผู้มีอุปการะคุณก่อนถ้าถ้าท่านไม่เลี้ยงเรามานะท่านทิ้งแต่สมัยเป็นเด็กเราคงไม่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เราเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาขนาดนี้กันนะั้น ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะนะจะว่าปุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญู ก, เกตเตวกตเตวะทีตาอย่างไรต่อผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงนับแต่พ่อแม่พี่น้องพี่พีของเราญาติโกโหติกาของเราใครก็ตามให้ความอุปการะเราเราก็ควรจะเลิกเลิกถึงบุญคุณของเขาอย่างน้อยก็แผ่เมตตา อุทิกุศลเอจิตใจของเราที่ข้าได้ที่ข้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากน้อยขอให้ผุ้กุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญขอให้เกื้อกูลหนุนอพวกท่านเนอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนะเสริญสุขให้มีเมตตาในจิตใจอยู่ในสถานที่ได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเอแต่ไปอยู่ในต่ไดอิจฉาเขาอยู่ตลอดใจดําปี๋อยู่ตลอดนะมีแต่ความทุกข์ ความอิจฉาไม่พาไม่พาคนให้เจริญรุ่งเรืองนะมีแต่พาคนให้จิบหายหเห็นไหมนะพระเทวทัตนะมีแต่ความอิจฉานะเป็นยังไงลงอเวจีมหานรกยิ่งลึกมากทีเดียวเลยเพราะอะไรเพราะอิจฉานะถ้าแสดงความกตันยูแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะพระพุทธเจ้านะพระหันทสาวกทั้งหลายนะแสดงความกรตันยูขนาดพระเทวทัต ไม่ระ ล, ลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ข่าพ่อแม่ตาบอดเนี่ยสมัยนั้นก็ตกนรกเอเวจีมากมายขณะท่านได้เป็นพระทหารแล้วเน่ะกรรมตอนนั้นก็ยังตามสนองท่านอีกอแต่ว่าท่านบดกิเลสแล้วท่านเป็นพระทหารแล้วเป็นว่าอโหสิกรรมกรรมให้ผลสําเร็จเอนอกจากนี้ไปท่านก็ไม่ได้รับกรรมอีกแล้วเพราะว่าพ้นเป็นไทยละอ นี่แหละกรรมตันนั้นก็ออยังตามสนองนี่แหละความไอิจฉาและความไม่รู้จกักคนที่เป็นอั ก, กตันยูเป็นอย่างนั้นะ่ะได้รับโทษนะลูกหลานนะอต่อใน้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรในนะตนนี้นะ